เ้าทุกเย็นนะเราก็สวดมนต์ทำวัดร่วมกันวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการทำวัดสวดมนก็คือเพื่อตอกย้ำหรือปลูกศรัทธาในพระธรรมตรัยให้มั่นคงยิ่งขึ้นศรัทธานี่เป็นสิ่งสำคัญนะในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะเพื่อให้ไปถึง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 ในการประพฤติปฏิบัติและศรัทธานี่ก็จะเพิ่มพลังให้กับจิตใจของเราได้แต่ว่าศรัทธานี่ก็แมาจะเป็นศรัทธาในพระนตรัรก็ต้องเป็นศรัทธาที่ถูกต้องนะเพราะว่าศรัทธาเนี่ย อ, อาจจะเพี้ยนนะหรือว่าอาจจะคลาดเคลื่อนได้ศรัทธาที่ เทียนหรือว่าผิดพลาดเนี่ยที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือศรัทธาที่นําไปสู่ความงมงายที่งมงายนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปไปเชื่อนะไปเชื่อแบบสิโรราบนะโดยเพราะกับบุคคลคนใดคนหนึ่งเชื่อแบบเรียกว่าไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญา นะเขาจะพาไปไหนก็ไปแม้กระทั่งจะพาไปตายก็ยอมอันนี้ก็มีอยู่บ่อยๆนะศรัทธาในตัวบุคคลจนกระทั่งยอมตายเพื่อเขาหรือว่าเขาจะชวนให้ไปตายก็ได้อย่างเมื่อสักส0สกว่าปีก่อนก็มีกลุ่มที่เรียกว่าลัทธิหนึ่งนะเขาไป ไปตั้งเมืองใหม่นะอยู่แถวาทางอเมริกากลางแนละ้วพวกนี้เป็นคนอเมริกันนะตอนหลังก็อยากจะไปสร้างเมืองใหม่าศาสตราเขาเรียกชื่อจิมโจนเขากา็ผู้คนที่เป็นสารุสิ์ก็ข้างใครไหลหลงมากจนกระทั่งวันดีคืนดีนะาศาสดาเขาก็ชัวูกสิต อนุสิทั้งหลายให้ไปตายเนี่ยกินยาฆ่าตัวตายคนพวกนี้ก็ยอมนะเรียกว่าตายหมู่ก็เป็นเป็นร้อยเป็นพันเลยอันนี้ก็เป็นผลของศรัทธาที่งมงายแบบหนึ่งหรือบางทีศาสดาก็สั่งให้สาวพวกไปไปพรีชีพไปพรีชีพเพื่อลัฐิอุดมการของตัวไปฆ่าคนอื่นไปก่อการร้ายนะ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 เป็นการไปผูกติดอยู่กับตัวบุคคลนะโดยที่ไม่ได้ตระหนักนะว่าอะไรถูกอะไรผิดนีศรัทธาที่ดีต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบไปได้วยปัญญานะเรียกว่าศรัทธายาณาะสามปยุต์ไม่ใช่เป็นการาเชื่อแต่พึ่งเือนะแต่ว่ารู้จักใช้ปัญญาในสายพุทธการเนี่ยมี อุบาสกคนหนึ่งเป็นข้าบดีนะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยพอเมื่อพระเจ้าเนี่ยได้ตรัสสอนนะเรื่องไตรลักษณิจจังทุกครั้งอนัตตาท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันแล้วก็เรียกว่ามีศรัทธานแน่นแฟ้ น, นในในพระพุทธเจ้าแล้วก็ในพระธรรมพระสงฆ์ อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของพระโสดาบันนะเป็นศรัทธาที่ไม่คอนแคลนพอพระุทธเจ้าเนี่ยเสด็จกลับเนี่ยมารเนี่ยนะมารก็เห็นว่าขาบดีคนนี้เนี่ยนะกำลังจะหลุดพ้นจากอำนาจของมาร น, นะมารก็ไม่ยอมจะพยายามดึงหรือล่อลอกให้ข้าบดีท่านนี้เนี่ยหันมาอยู่ในอำนาจของมาร น, นะวิธีการก็คือ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 ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างนะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีบางอย่างนะที่ไม่ใช่แค่เที่ยงเป็นสุขเท่านั้นยังเป็นอัตตาด้วยเรียกว่ามาหลวงให้เกิดมิจฉาทิฏฐิข้าพอดีทันนี้เนี่ยนะแม้ว่าจะมีศรัทธาในพุทธเจ้าเนี่ยขนาดนั้นนี่ก็เชื่อเลยนะว่าผู้ที่อยู่ข้างหน้านี่คือพุทธเจ้าแต่ว่ามาไตรตรองดูก็ถูกคิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนคำนะ พระองค์สอนอย่างไรก็สอนอย่างนั้นแหละไม่เคยเปลี่ยนมาว่าเมื่อกี้สอนผิดนะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะที่ปรากฏข้างหน้าที่เป็นผู้เจ้าไหมและที่สําคัญก็คือว่าท่านนี้ก็ได้เห็นด้วยปัญญานะว่าสิ่งทั้งปวงนะมันไม่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนท่านเห็นด้วยปัญญาก็เลยแน่ใจว่า คนที่มาสอนมาบอกข้างหน้านี่ไม่ใช่พุทธเจ้าเพราะสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันต้องเป็นธรรมะเป็นความจริงแต่ว่าสิ่งที่ผู้ที่อยู่ข้างหน้านี่มาบอกเรานี่มันไม่ใช่ก็เลยแน่ใจว่าเนี่ยไม่ใช่พุทธเจ้าแน่แล้ก็เลยคิดต่อปว่าคงจะเป็นมารกะมังก็เลยพูดท้วงไปนะก็กลายเป็นว่ามารเนี่ยจะมาหลอก ไม่สําเร็จนะผิดแผนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะขนาดมานี่มาแปลงกายผู้เจ้านี่มาโสดาบันหรือข้าบดีท่านนี้ยังไม่เชื่อเลยไม่ใช่เพียงแค่เห็นรูปร่างหน้าตาเป็นผู้เจ้าแล้วก็จะเชื่อไปทุกอย่างแม้ว่าจะมาบอกว่าเมื่อกี้สอนผิดก็เชื่อนะอนวิสัยชาพุทนี้จะเป็นอย่างนี้นะคือว่าศรัทธานี่ประกอบไปได้วยปัญญาและจะอ้างว่าเป็นผู้เจ้ามาบอก ก็ไม่เชื่อนะเพราะว่ามันไม่ตรงกับความจริงอันนี้เป็นวิสัยของชาวพุทธนะคือเป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่เชื่อแต่พึ่ตะพือนะเพียงเพราะว่าท่านนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราพูดอะไรเราก็เชื่อหมดมีคราวนึงนะพุทธเจ้าเนี่ยสนทนากับภาษาวกนะแล้วก็มีภาษาริบุตรอยู่ด้วยพุทธเจ้าก็ตัดถามภาษาริบุตรว่าเชื่อไหม ว่าคนที่มีอนะินทรีย์ห้าหากทำให้มากนะก็จะบรรลุมรรคผลได้พระสารีบุตรตอบว่าไม่เชื่อแล้วก็ให้เหตุผลว่าผู้นั้นเนี่ยจะต้องนะบำเพ็ญพิปัสสนานะ จ, จึงจะบรรลุมรรคผลตราบใดที่ยังไม่บาเพ็ญพิปัสสนาหรือทำพรปัญญาให้แจ้งเนี่ยนะก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้พระรูปอื่นเนี่ยก็ ได้ยินฉะนั้นก็ต่อว่านะพระสาบุตรนะว่าว่ า, าเป็นผู้ที่นะขัดขืนนะปฏิเสธนะไม่ฟังคำสอนพระเจ้ากล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะไม่เชื่อพู้เจ้าแต่พู้เจ้าเนี่ยพอได้ทราบฉะนั้นก็เลยกล่าวว่านะที่พระสารีบุตรพูดนี่ถูกแล้วนะสรรเสริญพระสารฤบุตรว่าพูดถูกแล้ว ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆธรรมดาของพระอาหารหันต์หรือพระญาบุคคลนี่นะท่านมีศรัทธาก็จริงนะแต่เป็นศรัทธาที่ประกอบไปได้วยปัญญาและยิงมีปัญญามากเท่าไหร่เนี่ยไอความเชื่อโดยไม่เห็นโดยไม่รู้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าคนที่ศรัทธาไม่ถูกนะก็เชื่อแต่พื่อือนะไม่ได้เห็นด้วยด้วยตัวเองก็อาจจะหลงผิดได้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 จะพาไปนรกหรือพาไปตายก็ไปนะส่วนศรัทธาประเภทหนึ่งเนี่ยคือเป็นศรัทธาที่มีตัวกูเป็นศูนย์กลางหมายความว่าที่ศรัทธาท่านนี้เพราะว่าผู้ถูกใจเราหรือผู้ถูกใจกูหรือสนองกิเลส ข, ของกูถ้าหากว่าตามใดที่ยังทำอะไรถูกใจเราเราก็ยังศรัทธาอยู่เราก็ยังรักเคารพอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ พูดไม่ถูกใจกูนะหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจกูหรือว่ากระทบตัวกูนี่ก็จะก็จะโกรธนะอันนี้ก็มีอยู่นะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยนะพระไศร์บุตรนะจะมีอ่จะบำเพ็ญจะบำเพ็ญธรรมจลีกเล่นไปในที่ไกลนะก็จะลาอา่เพื่อนาศาสธรร ม, มิก ตามธรรมเดมเนี่ยนะพระทั้งหลายท่านก็มารอนะมายืนเพื่ออําลาเป็นแถวเลยยาวพระสารีบุตรท่านก็เป็นคนที่มีมารยาทนะท่านก็จะทักทายทุกคนถามชื่อถามอาโคดหรือถามวงตระกูลต่างๆเนี่ยก็ถามทุกคนเลยแต่มีคนหนึ่งที่ท่านาไม่ได้ไม่ได้ถาม ไม่ได้ทักเพราะคนเยอะมากภาพรูปนั้นเนี่ยพอเห็นพระไตรปิฎเดินผ่านนะโดยไม่ที่ไม่ทักไม่ทายเนี่ยก็โกรธเลยนะโกรธเลยว่าทำไมพระไตรปิฎเนี่ยมองข้ามเราแล้วก็เลยหาเรื่องนะใส่ร้ายพระไตรปิฎกเพืนช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยชายจีวารพระไตรปิฎกเนี่ยไปโดนไปถูกตัวภา ร, รูปนี้ภา ร, รูปนี้ก็เลยถือเหตุนะ พ้องผู้จ่าว่าพระัยบุรทำ้ายขนาดนี้เลยนะจากคนที่ศรัทธานะเปลี่ยนกายเป็นโกรธเกลียดได้อย่างไรนะอันนี้ก็เพราะว่าเป็นศรัทธาที่มันมีตัวกูเป็นที่ตั้งจะยังเคารพอยยังศรัทธาถ้าหากว่านะเขาหรือคนพูดนั้นเนี่ยนะทำอะไรที่ถูกใจเราเช่นอาจจะสอนถูกใจเรานะหรือว่าให้ความสรงข็กับตัวเรา ถ้าเมื่อใดก็ตามที่แม้ความสาคัญกับตัวเราเมื่อไรเนี่ยนะก็จะเกลียดทันทีคนที่ศรัทธาแบบนี้ก็มีเยอะนะศรัทธาครูบาอาจารย์แต่พอครูบาอาจารย์ตำหนิหรือว่าต่อว่าก็โกรธเลยนะจากโกรธเป็นเกลียดนะบางทีครูบาอาจารย์ไม่ทักไม่ทายนี่ก็กลายเป็นเกลียดไปเลยนะอาตมาก็เคยเจอนะโย บ, บางคนนี่ มาที่วัดอัตมาทักทายหลายคนนะแต่ว่ามีคนหนึ่งนะไม่ได้ทักทยายกโกรธมากนะแล้วก็ต้นหลังกลับไปบ้านก็ไปบอกลูกหลานว่าต่อไปไม่มาวัดนี้แล้วนะเพราะว่าเจ้าพาไม่ทักทายนะอันนี้ก็มีอยู่นะครูบาอาจารย์ต่อว่านะหรือว่าไม่ให้ความสําคัญก็เปลี่ยนจากศรัทธากลายเป็นความไม่พอใจหรือไม่ก็ อาจจะทําให้ถูกใจเช่นเคยนับถือครูบาอาจารย์ท่านนี้แล้ววันดีคืนดีท่านสึกหาราเพศไปโอ้โกโรธมากเลยอันนี้เราก็เห็นอยู่นะอันนี้เป็นศรัท ธ, ธาที่เรียกว่าเอาตัวกูเป็นศูนย์กลางมาแตกแตกต่ตตางกับศรัทธาไปเพ่งงมงายนะไปเพ่งงมงายเนี่ยเอาบุคคลเป็นศูนย์กลางจนกระทั่งไม่สนใจเรื่องผิดชอบชัว่วดีไม่สนใจเรื่องเหตุเรื่องผลไม่สนใจเรื่องความถูกต้องนะ เขาจะพูดอะไรเขาจะสั่งอะไรก็จะพาให้สั่งให้เราไปตายก็ไปนะเรียกว่าตัวกูมันกลืนหายไปกับบคุคคลผู้นั้นแต่สรัทธาเพศที่สเนี่ยนะมันมีตัวกูนะตราบใดที่ตัวกูยังได้รับการตอบสนองนะก็ยังนับถืออยู่แต่ว่าศรัทธาแบบนี้มันก็พาไปสู่ความงมงายได้นะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ตัวเงศรัทธานับถือเป็นครูบาจารย์เนี่ยนะเขาสนองกิเลส นะเข า, าเข า, า จ, จะมีมีเครื่องรางของขลังนะที่สนองความโวภของเราหรือเขาให้คำมั่นสัญญาว่านะถ้าเคารพเขานับถือเขาเนี่ยจะร่ํารวยนะจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็จะหลงเชื่อหัวปักหัวปําจะสั่งให้ทําอะไรก็ทําเพราะว่าเชื่อว่าถ้าทำแล้วเนี่ยนะจะได้รับประโยชน์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 อันนี้มันก็บางทีมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงกันมานะศรัทธาแบบงมงายกับศรัทธาแบบสนองตัวกูเนี่ยบางทีมันก็เอื้อเฟือเกือเก้อกูลกันแต่นั้นก็ไม่ใช่ศรัทธาที่ถูกต้องนะศรัทธาทถูกต้องเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่ผูกติดกับตัวบุคคลแม้บุคคลผู้นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ยังฝากนะศรัทธาไว้กับผู้นั้นไม่ได้นะในภาษาสุดท้ายเนี่ยนะ เราคงทราบดีวพระเจ้าเนี่ยนะงประชวนนะอาพาธนะมีครั้งนึงก็อาพาธหนักเลยนะแต่ว่าพระองค์ก็สามารถจะใช้ธรรมะเนี่ยนะสะกดเวทนานะแล้วก็กลับมาเป็นปกติพระอนนท์เนี่ยนะดูแลปัญหาพระเจ้ายตลอดนะพอเห็พระเจ้าเนี่ยนะมีอาการดีขึ้นก็ก็มาเล่าให้พระเจ้าฟังว่าเนี่ยตอนที่พระองค์เนี่ยนะอาพาธหนักนี่นะตัวเองเนี่ย เป็นทุกข์มากเลยนะถึงขั้นหน้ามืดเลยนะหน้ามืดเศร้าสกเสียใจ น, นึกอะไรไม่ออกเลยแต่ว่าพอพระองค์เนี่ยนะกลับมามีอาการดีขึ้นก็ดีใจนะโล่งอกแล้วก็ยิ่งดีใจที่พระเจ้านี่ก็ยังไม่ได้ปร่งพระชนมายุสังขารยังไม่ได้ตาบัาจะประินิพานเจ้าได้ยินเช่นนั้นก็เลยตัดกรพ้าโนนว่าพูดไปรวมๆเลยนะว่านะ่ะพิสูจทั้งหลายเนี่ยจะหวังอะไรจากเราอีกนะ ที่ผ่านมานี้เราก็แสดงธรรมโดยไม่ปิดโดยไม่ปิดบังไม่เก็บงำนะเหมือนกับหงายขวัญขันที่คว่ำเนี่ยนะให้หงายออกนะไม่มีอะไรปิดบังไม่มีอะไรอัมพังแล้วนะจะหวังพึ่งอะไรเราตอนนี้เราก็อายุ80แล้วนะเหมือนกับเกวียนเก่าแก่นะที่คล่ำคล่านะนะนะที่ยังเคลื่อนไหวยังยังไปได้นี่ก็เพราะมีการแซมมีการขัดด้วยไม้ไผ่เอาไว้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 พิจารณาจิตพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอันนี้แหละนะจึงจะมีเรียกว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งได้ก็คือสอนให้นะมาหันมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องฝากความหวังหรือฝากศรัทธาไว้กับตัวบุคคลนะให้มีตนนี่แหละเป็นที่พึ่งให้ได้คำว่านะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยนะความหมายจริงก็คืออันนี้แหละนะก็คือว่า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 ไปพึ่งพาในอำนาจนะในอนุภาพนะของพระองค์บางคนเนี่ยศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยนะถือเอาพู้เจ้าเป็นสารณะนะแต่ว่าถือเอาแบบนะต้องการให้พระองค์เนี่ยมาสนองกิเลส ข, ของตัวหรือว่าศรัทธานับถือพู้เจ้าเป็นสารณะแบบมีอวิชชานะคืองมงายไปให้ความสำคัญกับตัวบุคคลมาก อาวุจนี่พระองค์เนี่ยใครที่นับนับถือหรือศรัท ธ, ธาพระองค์แบบตัวบุคคลนี่พระองค์ก็ตําหนินะอย่างพระวักกะลิเนี่ยนะพระองค์ไปไหนก็พระวักกะลิก็เดินตามนะเพราะว่าศรัท ธ, ธาในตัวพระองค์มากปฏิบัติธรรมไม่สนใจเลยพระองค์สอนยังไงก็ไม่สนใจนะสนใจแต่กายเนื้อกายหยาบเห็นพระองค์เสด็จไปไหนก็เดินตามจนกระทั่งพระองค์ตำหนิเลยนะว่าเนี่ยอันนี้เรียกว่านะ ตาสใดที่ยังไม่เห็นธรรมเนี่ยก็ยังอยู่ไกลาจากพระองค์แม้จะว่าสัมผัสตัวหรือว่าจับใจบจับชายจีวรก็ตามไอ้ตัวบุคคลเนี่ยนะซึ่งมันประกอบไปด้วยกายเนื้อเนี่ยมันไม่อาจจะเป็นที่พึ่งที่หวังได้นะเพราะว่าต้องแก่ชาราไปในที่สุดนะแล้วก็เสื่อมดับแตกดับไปนะถ้าศรัทธาหรือมีพระเจ้าเป็นสาระนัเนี่ยคือการเห็นธรรม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 ปฏิหารหรืออนุภาพจากพระองค์หลายคนก็ยังเชื่อนะว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้เสด็จปรปนิพพานานานไปแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะนะอำนวยอวยผลนะให้กับตนเองได้ถ้าหากว่าทำบุญเยอะๆมีศรัทธามากๆหล่อพระหล่อพระทูลุ่นะไม่สนใจว่าพระองค์สอนอะไรอันนั้นไม่ใช่เป็นศรัทธาที่ถูกต้อง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 มันมีสองอย่างนะการยึดถือหรือว่าการนับถือเนี่ยนับถือแล้วจิตใจเราสูงขึ้นเพราะว่าท่านเป็นของสูงยิ่งเรานับถือเนี่ยนะกายวาจาใจของเราก็งดงามโดยพอกิเลส ก, ก็เบาบางอันนี้เราว่านับถือแล้วจิตใจสูงขึ้นแต่นับถือไม่ถูกเนี่ยทำให้พรัตตนาตัยเนี่ยถูกฉุดลงมาต่ำลงนะมาสนองกิเลสของเรานะางนี้เราก็เห็นนะว่า การนับถือของชาวพุทธเนี่ยจำนวนมากเลยนะทำให้พระรัตนตรัยต่ําลงนะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่นะผู้พิเศษที่จะมาสนองกิเลส ข, ของเราเจอพระทธ ร, รูปเนี่ยนะแทนที่จะทําให้จิตใจออมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัตินะกลับนึกแต่ว่าพระทูรูปนี้จะบอกหวยนะหรือว่าจะให้เลขอะไรกับเราบ้างอันนี้ก็กลายเป็นว่า พ่อุทธลูกกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนะเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่สนองกิเลส ข, ของเรานะแต่ไม่ใช่เป็นตัวแทนแห่งธรรมะนะที่จะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นหรืออยางน้อยเนี่ยสงบนะจากกิเลสหายเล่าร้อนเพราะความทุกข์นะนะถามใจเราเองนะเวลาเราศรัทธานพระตนัไตรเนี่ยนะเราเห็นธรรมมากขึ้นไหมธรรมะในใจเราสูงขึ้นไหมเราก็สวดอยู่บ่อยๆนะันะนะบทที่เรียกว่านะ อริยธนาคาฐานเนี่ยนะผู้ใดนะมีศรัทธาในพรนาานะรัตนตรัยเนี่ยถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก็ต้องเห็นอริยสัจสี่นะคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่เข้าใจอริยสัจสี่เลยนะซึ่งเป็นธรรม ท, ที่ถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังถือว่า ยังไม่ได้มีพระรัตนานใจเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงแล้คนกลุ่มนี้และนะ้วก็จะยังเอาเอาอย่างอื่นเป็นสารณะแทนแม้ปากจะบอกว่ามีพระรัตนานใจเป็นสารณะแต่ว่าจิตใจเนี่ยอาจจะเอาถือเอาเงินเป็นสารณะหรือว่าเอาภูเขาเอาป่าไม้เอาเจดีย์นะเอาของแปลกๆเป็นสารณะก็ได้ ถา้าทำข้อก็ใจดนะีเรื่องการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะหรือว่าตรวจสอบศรัทธาของเรานะว่าศรัทธาของเราเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในพระรัตนตรยัยหรือศรัทธาในครูบาอาจารย์เป็นศรัทธาแบบงมงายหรือเป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเป็นศรัทธาที่มุ่งสนองตัวกูนะหรือว่าเอาธรรมะเป็นใหญ่ อันที่เราศรัทธาเนี่ยถูกต้องเนี่ยนะศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นศรัทธาที่กระตุ้นให้เราทำความเพียรมุ่งลดละกิเลสอันนั้นนะก็จะเป็นศรัทธาที่ทำให้ชีวิตจิตใจเราเจริญงอกงามแล้วก็เป็นการะดุงนะเชิดชูพระรัตนตรยอย่างแท้จริงเอาละชานี้ก็พุทธคตนี้ออกราบร